ขึ้นเครื่บินหาความสุขก็ไม่เห็นลงเรือหาความสุขก็ไม่เห็นเข้าป่าหาความสุขก็ไม่เห็นเพระความสุขมันอยู่บนอากาศความสุขมันอยู่ในทะเลความสุขมันอยู่ที่ป่าความสุขอยู่ที่ใจสงบเนี่ยวคนนี้เองรวมมาบ้านจะไหน เราอยากได้ความสงบก็ต้องขันใจให้เสร็จจะนี่ตรงกันข้ามถ้าเราตรวจดูนะทุกที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราทุกครั้งก็เกี่ยวเนื่องโดยใจเหมือนกันไม่ใช่ทุกเฉยๆจิตใจมันหุ่นลายด้วยไม่สงบเลย เมื่อจิตใจไม่สงบแล้วทําอะไรก็ไม่ดีนั่งก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีเดินก็ไม่ดีแล้วทานอาหารก็ไม่ดีทุกอย่างไม่ดีนี่เป็นหลักของธรรมะที่เราจะต้องกำหนดรู้ทุกคนกําหนดรู้จะรู้ได้เพราะต้องเคย ร, รู้กันหนึ่งแก่เป ถ้าเราไม่รู้ใครจะรู้ให้เรามันไม่ได้ตัวดิงไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเราที่เราไม่รู้กันเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ธรรมะใช้สติมรรสาจิตของเรามาคุ้มครองหลัปล่อยทิ่นแล้วแต่อารมณ์มันจูงไปแล้วแต่สิ่งแบบเราไปนอกจูงไป มากกว่าความสุขหยุด ท, ท, ที่นอนมา่าความทุกข์ก็หยุดที่นอนไหมืกันที่อืเพราะนั้ น, นพระพุทธเจ้าทรงตรง่อการความสุขสงบก็อบรมจิตใจพระองค์ก็ไม่ให้ไปทุกข์ที่กับสิ่งที่วุ่นวายชอบจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบ เมื่อใช้จริงโดยธรรมชาติกิจไม่วุ่นวายเพราะมันมีสิ่งขึ้นมากระทบมา ก, ก็กวนก็เลยวุ่นวายโดยธรรมชาติน้ไว่าเป็นอย่างนั้นทกเพราะฉะนั้นเมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เหมือนธรรมชาติของอากาศต่างๆถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วมันก็เมื่อ ไม่สว่างทีันสว่างหกเต๊นมีไฟมีดวงอาทิตย์ดวงจันรอากาศมันจะมืดมา ก, ก่อนันตีี 40, ันตไม่สคัญแล้วต้องการสว่างต้องการเห็นสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆติดไฟมาไฟลุกขึ้นเท่านั้นนะความสว่างาหายไปในเทือเมื่อเปิด้เชี่ยหาที่อื่น ความสงบก็ไม่อยู่ที่ไม่สงบนั่นจะไปหาความสงบที่อื่นไม่ได้เราก็ต้องกำหนดรู้ที่ไม่สงบนั่นเพราะความสงบและไม่สงบมันมาจากเหตุ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีเหตุถ้าเรารู้จากเหตุแล้วเราเต้ากัน มาถึงแล้วนายโยงไปโอ้ที่ไหนแต่ค้นไปเกี no ่ยงคลองหรอเพราว่าเงีแต well, so. ่ก่อนสถานที่ไหนกังเงียบที่ไหนเป็นหวน่ยค้นเกี่ยงคลองนะเรว่าเงียบจักรันความสงบเรื่อม่สงบอยู่ที่เรา ความไม่สงบเราก็คิดขึ้นม า, า, นมาก็เลยไม่สงบแต่ความสงบเราก็ต้องต้องคิดนะต้องคิดแก่เพราะไม่สงบเป็นเนีอยู่แล้วดูโดยลักษณะจิตของเคยคิดอารมณเคยสร้าง อารมณ์จนเคยชี่นี่จะให้มันสงบมันก็จะดันมันกันเลยฮ่าฮ่นไม่ชอบมันเคยขนองไปตามลำพังมันจะเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยเหมือนมือนก็มันต้นไม้ครับมันมันโน้มไปทางไหนเวลาใบไม้มันจยุดลงไปมันก็ตกไปทางนั้นแหละ ใจจะไปที่อื่นก็ต้องใช้กำลังห่งและต้องมีวัตถุพาไปเพื่อไปได้ทิทางของจิตนั่นมันก็ไม่เคยคิดอารมณมไปทางอารมณ์แหละเวลาเราให้สงบก็ต้องเอากำลังมาช่วยเพื่อจะไปได้ถ้าให้สงบลมฟังของมันเองเป็นไปจ ะ, ะนั่งจะต้องอาศัยสติอาศัยภาวนา อาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรเข้าไปช่วยเหลือเปิดช่องทางให้ธรรมส่วนสมุุกเข้าไปมีบทบาทในจิตใจมันคิดอารมณ์นึกอารมณ์ไปตามอารมณ์ถ้าเราไม่ได้ฝึกเรามันก็ไปมาเหมือนกับรถ ที่คนไม่ได้คนขับไม่เป็นนั่นแหละแล้วทำมีคนขับอย่างนั้นปล่อยเครื่องไปมันวิ่งไปไม่มัูไปที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องฝึกอย่นี้ทําฝึกดีแล้วใช้การใช้งานดีมากทีเดียวมีผลงานดีมากทีเดียว มันส่งผ่านจินตนี้ส่งไปจัดจิตถ้าจิตไม่ดีแนละ้วก็ใช้การใช้งานไม่ได้เลยอาชีพงานคนจะมีฐานะดีไม่ดีก็แสดงออกมาจากจิตใจเท้งนั้นพลังผัานจิตใจมีสุดไปในทางดีก็ะสามารถจะทำดีได้ ฝึกไม่ทันไม่ดีแจะสามารถจะทำความเสียไายอย่างกว้างขวางได้เหมือกันสมบัติของจิตถ้ามันยอมรับแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างนะาไดนะ้ถ้ามันดับไปเกิดไปนะถ้าเขียนลงในจิตนะ แต่เราคิดในเจตนาที่มีนักการกระทำดีสิ่งใดที่เราทำโดยความจงใจเจะไม่ตงหรือความตั้งใจเราไม่จึงอลบไม่ได้ม่ออกเหมือนกับเราเรียนนังสือตั้งแตเด็กๆเนี่ลบไม่ออกใชร่ยันทุกวันเนี่ยใครจะลบออกอ่ะ เราเคยทำอะไรถ้าไปรู้เรียนสารมันนี้ยลบไม่ออกเลยนะที่จะจาได้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีลบไม่ออกติดตามเราอยู่ตลอดถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้เราก็จะได้เห็การทํทบาบุญทํแบบมีจริงไหม มันก็มีมทําแล้วไม่มีผลมันต้องมีผลทําดีก็ต้องเป็นคนดีขึ้นมามีผลขึ้นมาแมื้แต่คุณหมอใดตั้งใจอดทนฝึกฝนเหล่ลเาเรียนวิชาหมอขึ้นมาก็ยังมีผลงานอยู่อย่างนี้มันไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาตามไวไวัยมันหมดไปเวลาหมดไปความรู้ไม่เคยหมดจ ร, รจริงเราใช้เท่าไรยิ่งเพิ่มขึ้นอีก ยิ่งความแข็งยิงมั่นคงไม่เคยข้าค่าไม่เคยสึกโซ่เคยตัวดูไหมความรู้ทางหมอเคยสึกโซ่ไหมที่เราใช้รักษาคนทุกวันทุกวันไ่เค <Okay. S 1> ั่สมบัติของใจมันดีอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้ผลผลอดีตที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาเราจะมีผลอ น, นาคตคือเดี๋ยวนี้อ น, นาคตของอดีต ที่เราได้รับความสุขในปัจจุบันความดีตัวนี้เพื่อกดขึ้นอย่างนี้เราทําดีทีนี้เพื่อนเราคนที่ทําไม่ดีละ่ะไม่ได้ฝึกฝนกิตในทางที่ดีละ่ะเขาไม่ผลดีตอบแทนไหมหมอคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนทางหมออยากเป็นหมอก็เป็นไม่ได้อยากษาคนก็ษาไม่ได้เห็นยาของศาสใช้อะไรทางไหนมันก็ไม่รู้จัก เห็นคนป่วยก็เลยรู้จักว่าป่วยฉะนั้นไม่สามารคมลาะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกมื่อไม่ได้ฝึกจะมีผลงานได้นะฮะก็ไม่มีผลงานพระพุทธเจ้าพระองค์มีผลงานเพราะพระองค์ฝึกพระองค์ฝึกจิตใจสมบัติของจิตไม่มีใครลบล้างได้เหมือนกับความเป็นคุณหมอวิชาหมอใครจะมารลได้หรอฮะ คุณได้ฝึกไวแล้วได้ทำไวแล้วใครมาลบได้อะหใครมาล้างได้อะเขาจะว่าคุณหมอเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เมื่อเรามีบันทึกวิชาหมอไวแล้วความจริงต้องเป็นความจริงจะลบล้างโดยกว่าโดยอย่างอื่นไม่ได้ทำมันเป็นอย่างนี้เป็นของจริงดีให้เราเห็นได้เป็นสันติทิกโก ที่เราเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่รู้ประมาณกำลังของเราแต่เหมือนกับเราเดินมาถึงคิดกัโกะอยากไปรู้จักเนื้อยากมันก็ไม่แจ้งไปจากแล้วเราเดินมานำทางแล้วก็ศึกษามามาถึงนี่ล้วก็ได้รู้ได้เหน็นอย่างนี่แหละการรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักชาติไม่รู้จักชาติหนา เราก็ต้องฝุกไปรู้จักชาดินีก่อนรู้จักปัจจุบันซะก่อนเมื่อปัจจุบันมันหมดไปแล้วมันก็เป็นอดีอตอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันก็ไม่ใช่จะเป็นอนาคตอยู่ตลอดเวลามันก็กลายมาเป็นปัจจุบันให้เรารู้ด้านมันกันเมื่อใช่หรมันจะอย่แต่อนาคตทำไมมาเป็นปัจจุบันมันก็ไม่มีปัญหาเราะจะไปคิดนึกอะไร ไม่มีปัญหาในจิตใจของเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างเพลินสร้างภัยอะไรให้เราเลยอนาคตสิ่งที่ใหม่มาถึงแต่อนาคตที่มันผ่านมามากลายเป็นปัจจุบัน เ, เมื่อเราทําไม่ดีมันอยู่เป็นพื้นฐานแล้วของมันแต่คนไม่ได้พุทความดีไว้ไม่ได้พุทวิชาความรู้ไว้แต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอนาคตมาเป็นปัจจุบันเราไม่มีความรู้สร้างเพื่อส้างตัวไล่นด้นั่นะ <c oughs> ในอนาคตเขคนที่ไม่ได้ฝึกนมันไม่ดีเราเห็นใจบริจาคอย่างนี้แนหะการไปพึพ่งทําปฏิบัติธรรมเราเชื่อเราเชื่อตามกระทำดีแต่เรามีกรรมเป็นของของต น, นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราล่ะจะเป็นเราเชื่อตามใครลนะ่ะเราไม่เชื่อตามใครเชื่อตามเดตผลในความจริงจริีอยู่ ที่มันมีเหตุมีผลจะใครทำอย่างไรก็มีเหตุมีผลมาตามระดับทั้งตัวเราทั้งคนอื่นทั่วไปทั้งโลกทั้งแผ่นดินทําไมว่าบุญไม่มีาบาปไม่มีอนาคตชตัดนี้ชัดหน้าไม่มีโทษไปได้ทั้งทั้งที่มีอยู่ทั้งสิบประบอกมาตาระดับระดับมาตามระดับไม่เห็นการเวลามันอยู่ของที่ เราก็เปลี่นไปเลยเยรียกว่วัดตาถ้ากบบผลงานไม่มีเราคาสอนพระพุทธเจ้าอยู่ได้อย่างไรแล่าแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ผ่านไปแล้วยังมีผลงานถึงเรายังมีการประพฤติการปฏิบัติเพื่อขัดอบรมทไหนรับความสนุกได้รับความสุขได้รับความดีเป็นมาตามระดับจะมันมีผลงานอย่างไร ทั้งพันกว่าปีแล้วทาไมอ่านในอนาคตไม่เนี่ยพระเจ้าเจ้าของ์ก็ผ่านไปแล้วนี่ต่อเป็นอนาคตในเมื่อสมัยวไขั้งพุตกาลอนาคตทั้งพันกว่าปีเลยยังมีผลงานเหลียวจะว่าไงนะจะว่ามันมีอนาคตยังไงทําไม่มีม้วกระดับศูนย์ไปเดินเดี๋ยก็เป็นนิจชัดชิดที่ไหนทางทาง่านความจริงอันนี้อยู่ทีงไง่ไี้ ในความดีที่เราเชื่อใจถูกมันก็เราได้มายุ่ร่วมกันเนี่ยในความดีของพระพุทธเจ้าความดีคําสอนของพระองค์ทำให้เราเป็นญาติในชีวิตเสมอกันหมดอยู่ด้วยกันหมดอรูยความอธิษฐานคําสอนของพระองค์ถ้าไม่เราเป็นญาติกันได้แต่ไม่เป็นภัยต่อกันมาอยู่ร่วมกันอย่างในความสุขจะว่าย่างไรในการใส่ที่เราเลื่อมใสในธรรมคาสอนของพระองค์เราก็ได้อยู่ร่วมกัน ยังมีความสุขถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็มีความสุขตามภาวะที่ที่มีอยู่ส่วนขันติคำข่ า, ขาสุดชอมที่มีอยู่ในในรูปขันอันนี้มันก็เป็นธรรมของของขันเห็นไหมแต่พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวเนื่อง เ, องเลยในจิตใจของริสาทรานประพฤติทเและปฏิบัติทำเพราะเราทราบ ซึ่งม่ติดในใจโดยผนรวมแล้วว่าพระธรรมนั้นยอมประเสริฐเอาน่วยผลความสุขไปเราจริงๆผู้ปฏิพืติธรรมพระธรรมยอมรักษาจริงๆเพราะฉะนั้นจึงมีความปรารถนาอยากจะศึกษาธรรมเพื่อไปอปฏิบัติธรรม ได้ยินธรรมะอยู่ที่ไหนเราก็มีความพอยใจสละเวลามาเวลาสละการทำงนานเพื่อทําเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อนําไปเพื่อปฏิบัติเพื้นฐานที่เราตั้งใจไม่กตกเศ้าแต่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งใจดีแล้วเจตนาดีแล้วเป็นเบื้องต้น ก็ได้ประกบขึ้นแล้วต่อไปก็ตั้งใจศึกษาจะพูดเลย ย, อยอ่ยอๆเพื่อเป็นหลักเป็นพื้นฐาเนเสียก่อนทำคำสอนเราพ็จะยาวที่สองค์ส่งแสดงไว้เพื่อ น, นำมาฝึกตัวของเราฝึกกายฝึกว่จจาฝึกใจเนหลักที่มีกายก็มีแล้วในตัวของเรา วัยจากคำพูดก็พร้อมแล้วจิตใจของเราก็พร้อมแล้วการฝึกนับตั้งแต่การแสดงความขอร้องนี่ถือว่าเป็นการสำคัญในทางศาสนาเป็นรากเงาเข้ามูลทีเดียวขาดความเข้ารบอย่างเดียวเท่านั้นอะ ล, ลองดูความเชื่อวางความที่จะปฏิบัติตามความที่จะฝึกฝน ให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมก็ยากการจะทําตามก็ยากเพราะไม่เคารพพอทจะต้องก่อนอื่นที่จะเคารพจึงเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาว่าที่เราปฏิบัติก็ดีที่เราศึกษาก็ดีจะมีประโยชน์แก่เรา แ, แค่ไหนเพียงไะเราควรจะทราบซึ่งถ้ายิ่งเรทราบซึ่งความจริงพอเนี่แล้วรับความเคารพ ก, ก็เป็นของง่าย การปฏิบัติก็เป็นของง่ายเพราะจิตมันน้อมไปทางไหนแล้วมันก็เป็นการง่ายถ้าจิตจิตน้อมไปในทางธรรมที่ส่วนดีการปฏิบัติดีก็เป็นของง่ายถ้าจิตมันน้อมไปในทางส่วนไม่ดีการทาไม่ดีก็ง่ายเองการทำดีกวยากเพราะฉะนั้นความเคารพจิตน้อมไปในทางที่ส่วนดีที่ีในทางพระพุทธศาสนา จึงมีการกราบโดยการกราบก็เป็นการถกรไม่ใช่การาบโดยพร้อมด้วยสติอพร้อมด้วยติดตเลื่อมใสกราบสามครั้งก็ไม่ใช่เพียงแต่พระพันนั่งเป็นประธานหรือคนรับรู้รักษาภายในเง่งใช่จริงรหรือกราบหรือฤกษ์คนครั้งแรกคนพระพุทธญาณครั้งที่สองคนประธานครั้งที่สามคนผาสุขถึงจะกราบ ถึ ง, รงรพระจริงๆนะกราบพระจิงจิงงต่างไม่ได้ตราบธรรมดาเพราะฉะนั้นควรกราบเป็นความอันครบหลือซึอ่นอกจากกราบแล้วพธิธีต่างๆในทางพระพุทธศาสนาที่แสดงว่ะออกหน้าออกตาในการความเคารพคือนะักโม่จะทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าชาวบ้านจะต้องเคารพจะต้องตั้งนะักโม่ขึ้น นั่มองเมื่อแปลแ ล, ล้วแบบทิฏยานนอกน้อมจิตท่าหา ก, กันนอกน้อมนตามมาก็คือเชื่อความปฏิบัติตามเรื่อมใส่แสดงออกซึ่งศรัทธา <c oughs> เป็นพลังจิตใจให้เราได้สร้างความดีได้หลายอย่างสามารถถึแ่แเราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้สิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สรวจตรงจากการได้ยินได้ฟัง เลือกไว้เตรียมพร้อมแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นการอบรมในทำในไหนไม่ใช่อบรมแต่แต่ น, นึกวัดดีอย่างเดียวแล้วก็ดีขึ้นมาถ้าพร้อมโดยกายก็ได้ทําให้ประกอบด้วยพร้อมวาจาก็ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยพร้อม้วยจิตก็ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยเสด็เออก เพราะกายวาจา จ, จิตนี้เกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้าหากมีแต่จิตอย่างเดียวไม่มีกายไม่มีวาจาแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเป็นคนดีและคนไม่ดีเพราะเพียงแต่คิดนึกอย่างเดียวการเป็นที่เป็นเวรซึ่งกันและกันด้รับความเดือดร้อนเพียงแต่จิตจิตคิดอย่างเดียว มันก็ไม่มีเดือดร้อนเพราะมันให้ปรากฏมาทางวายจาร่าปรากฏทางใจมอทางกายมะเพราะฉะนั้นการฝึกก็จาเป็นจะต้องฝึกพร้อมด้วยกันมีสิ่งที่จะฝึกที่จะเข้าถึงกายถึงวายจารถึงใจของที่มีอยู่จะกลับกลายมาเป็นธรรมนำประโยชน์มาให้กับส่องอาศัยสติถ้าสติไม่นจะลึกมาให้จิตจิตไม่มีโอกาสที่จะรู้เลย เพราะฉะนั้นสติการระลึกศึกษาตัวของเราเพื่อความสำรวมจะทําอะไรระลึกเข้ามานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้ตั้งแต่ความเคารพทําด้วยความเคารพผู้มีความแต่เคารพเที่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลไม่ประมาทเที่อว่าเป็นผู้ฝึกสติอยู่ตลอดเวลาบุคคลผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเป็นผู้ ภาวนาอยู่ตลอดเวลาก็ภาวนาถ้าแปลตามที่ส่วนหนังสือแล้วก็ว่าทําให้ปรากฏให้มีขึ้นมาเอถ้าหากเราไม่มีสติแล้วอะไรจะมีเหมือนกับคนสติเอียเข้าไปหาหมอมันทําอะไรก็ไม่ได้ถึงแม้จะมีความรู้มากมายมาก่อนแล้วเพราสติไม่ดีสนันสติมันเสียสนันมันเลอะเทอะไปหมด แม้เกิดในสกูลสูงก็ตามไม่มีประโยชน์สร้างกายผิวยงพันวันนะจะแข็งแรงก็จะดีอย่างไรก็ตามสติเสียอย่างเดียวฉทนั้นใช้การใช้งานไม่ได้หล้วเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าดูก่อนที่สุขังหลายสตินี่ควรเจริญควรทําให้มากควรเจริญนะจ๊ควรทําให้ประกฏ เมื่อเราทำให้มากทีต่ตะเกอร์นายิ่งนะอาพิป็นให ญ, ญย่ย่อมทำให้รู้ยิ่งสร้างบ่ไทยให้กระเสืรู้ทำนิบานายนะสามารถจะมีพลังราดับระนับจับเสียซึ่งก่องทุกข์เพืสิ่งนเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่ดีไม่สำคัญขอให้สติเดื พระสติไี่ทำมีอุปการะมากกับความรู้ตัวเป็นคู่กันกับสามปัญญาถอยจฉะนั้นเจะพาวนาทำพิจารวายเรียบร้อยสติถาลายลึกถึงธรรมและลายลึกถึงความขอรบหนึ่งนันเราก็ทำได้เรียบร้อยได้ถอยจาะนั้นคนมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติฝุกหรือตลอดเวลา ท้ามันมีสติแล้วอะไรจ ะ, ะไม่ทราบสิ่งอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไม่เห็นแล้วเราจะพึกได้อย่างไรทาอยู่เห็นหนึ่งิตอยู่เห็นหนึ่งจะฝึกันได้อย่างไรจะพึ่งได้อย่างไรมันกับคนป่วยอยู่แห่งหนึ่งยาอยู่แห่งหนึ่งหมออยู่อีกแห่งหนึ่งะจะรักษาได้อย่างไรต้องทั้งสามอย่างนี้ไปชุมกัน แตั้นได้สติกับธรรมกับจิตต้องสัมผัสกันเพราะฉะนั้นจึนเป็นตังรู้ตัวเรายายากจะนั่งจะยืนจะนอนอะไรสำหรับเราควรให้เป็ยอร้อย การทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อสาสนาไม่ได้ทำเพื่อใครซึงแม้แต่เรื่อตนจะมีความไม่คล่องตัวเท่าไรเพราะเหตุใดเพราะจิตมัเคยขนองตามอารมณ์เมื่อเราไม่ให้ไปมันก็เด็กนี่แหละแต่มันเคยวิ่งเคยเล่นเคยขนองที่เราจะให้มันอยู่เฉยๆมันเกิไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนะแต่เมื่อเด็กมันเข้าใจ นักเข้านานไปนานไปก็อยู่ได้เช่นใดจิตก็เหมือนกันทำเนียนโทษเห็นความเหนื่เหนื่อยไม่เห็นประโยชน์เพราะการปล่อยเน่เห็นประโยชน์เพราะการฝึกเราทุกวันมีความเจริญก้าวหน้าเพราะการฝึกถ้าเราไม่ฝึกแล้เราจะทําอะไรได้เราทำอะไรไม่เป็นเลยฝึกทางไหนฝึกเป็นชทานสถาบันนีก้ก็ จิตในสามารถคิดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ถึงแม้ว่าเวตการที่เรานั่นมันล่วงไปแล้วหลายปีหลายเดือนก็ตามแต่ความรู้ที่ฝังไว้ในจิตมันไม่ได้หมดไปโดยไม่ได้หมดไปตามวันเดือนปีตามวัยยังอยู่ไม่เอี่ยมทิศเท่าใดไม่รู้จักหมดเเพราะฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ควรฝึกส่วนร่างกายไม่เหมือนจิตเลย อยู่นานปัจจัยยิ่งซุดซ้มซุดซ้มยิ่งทํางานการกลางมากสลายยิ่งซุดซ้อมมาคจิตนี้ยิ่งฝึกดีแล้วยิ้งใช้การงานในวิชาความรู้ติดตนฝึกแล้วยิ่งใหม่ไม่เคยหมดไม่เคยบกพร่องนะเพราะฉะนั้นทุกคนควรฝึกติดแล้วต้องการความสงบก็ฝึกให้สงบต้องการความสุขก็ฝึกให้มันมีความสุขต้องการความดีก็ฝึกในทางดี แต่เราไม่ต้องการสิ่งแค่ไม่ดีก็พยายามฝึกระมัต้องฝึกกัาร น, นนะั่งให้เป็นเองไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงได้สอบการฝึกเรียว่าสร้างปริณีอริยสาวกทั้งหลายได้กอบการฝึกการฝึกไม่จึงเป็นจะต้องอ ย, อยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเมื่อเรารู้เข้าใจว่ากายของเราก็มีอยู่จิตของเราก็มีอยู่ ทุกเวทนาก็มีอยู่เมื่อทุกมีอยู่แล้วที่ทําให้สุขมันก็มีอยู่เราก็เคยได้รับความสุขมาบ้างเหมือนกันเคยความสงบเคยมีความสุขเนีความสุขก็มีอยู่ในตัวของเราไม่ใช่ว่ามีแต่ทุกส่วนเดียวหรือไม่ใช่แต่แต้สุขส่วนเดียวทุกมันก็มีสุขเมื่อเป็นเสร็จใ้เราต้องการทางไหนเราก็ต้องฝึกพยายามแก้ไข ที่เหตุตัดใจที่ได้ความสุขมาจากความสงบมาการฝึกอังความอิ่พละฉะนั้นเมื่อติตของเรานองไปเพื่อการฝุดแล้วพยายามสร้างความดีพอดีพองามให้สบายขึ้นมาแม้แต่เรานั่งอยู่อย่างนีเมตย า, าบังคับจนอึดอัดอยากเพ่งจนแทบขาดความสบาย ความเบิกบานในจิตในใจเราต้องทําใจให้เบิกบานในธรรมยินดีในธรรมท่านบอกว่าการยินดีในธรรมชนะเสียเซ่นการยินดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความสบายด้วยสร้างความเย็นใจสร้างความดีด้วยเมื่อนั่งด้วยความดีจิตใจผ่องใสสบายด้วย นี่นะมันก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งเรลึกถึงความดีที่เราทำเมื่อได้รับความสุกได้รับความสุ ข, รสขเราก็รู้สึกตัวขขนเ้อมาโอ้ความสุขอยู่ตรงนี้เองเราเที่ยวหาเนืกอวัยสุขเพราะอย่างนน้นอ่างมาตั้งแต่น้อยจมบัดนี้หาอยากจะหาแค่ความสุขแต่ที่ความสุขไปแท้จริงไม่ต้องหาเลย เพียงจะเราปล่อยวางอารมณ์สบายแล้วลึกคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ไว้ม่ใจหรือดูลมหายใจเขาออกพุทโธคอยปล่อยวางให้สงบละเอียดตามนำนับก็ได้ความสุขเพียงพอเน็ตเหนื่อยอะไรจะหายไปถ้าเราอยากจะรู้จักกว่าความการภาวนาในสติทำจิตให้สงบนี่มีความดีอย่างไรมีประโยชน์แค่ไหนเพียง